การทำงานอย่างไรจึงจะมีความสุขประเดินสู่สร้างมีัจขออนอาจารครับขอเจรทรัพส์สุชนทุกท่านคุณสมปองได้เล่าถึงเรื่องโยมที่ไปถวายสังฆทานอัตมาขอเล่าบ้างแต่ฉันไม่เก่งหอกครับเป็นเรื่องกเกิดฉันฉันเรียนในสถาบัน ระดับปริญาโทซึ่งมีผู้ใหญ่นะข้าราชการชั้นสูงเนี่ยมาเรียนกัน็นจํานวนมากอาจารย์ท่านก็สอนเรื่องวิชาที่ับบวัฒนธรรมสังคมไทยแล้วก็พูดถึงพุทธศาสนาแล้วก็เลยวกเข้ามาถึงเรื่องของหลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาคือเรื่องไตรลักษณ์ เนมีขักไกลลักอาจารย์ก็ถามว่าธรรมะข้อแอรกไตรลักคืออะไรทราบไหมก็ไม่ได้ใครตอบได้อาจารย์ก็เลยบอกใบไม่ได้บอกใบเฉยเลยอนนี้จังเนี่ยแล้วข้อที่สองล่ะก็ยังเงียบอยู่อาจารย์ก็เลยว่าทุกขังเนี่ยข้อที่สามอ่ะอันนี้ต้องห้องตอมาพร้อม ก, กันเลยพลัง ถูกไหมฮะคือไปคิดว่าสุขขังพลังเนี่ยแต่ที่จริงไม่ใช่อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเกร็ดนะเกี่ยวกับเรื่องอาชาวพุทธกับหลักธรรมพุทธศาสนาคราวนี้อาตมาก็จะเข้าสู่ประเด็นแล้วเรื่องของการทํางานอย่างมีความสุขทํางานอย่างไรยังมีความสุขอาตมาคิดว่า การทำงานในตัวมันเองเนี่ยก็เป็นความสุขอยู่แล้วแต่ความจินข่อ น, นี้เนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่ว่าการทำงานนี่มันจะเป็นสุขได้ยอย่างไรเคยมีการศึกษาวิจัยที่ประเทอังกฤษนะศึกษาวิจัยคน 6,000 คนนะแล้วเขาพบว่าน่าสนใจเนขะาบอกว่า คนว่างงานหรือคนที่ลาออกก่อนเกษียณเนี่ยภายในเวลา5ปีครึ่งนะมีโอกาสที่จะตายเป็นสองเท่าของคนที่ยังทำงานอยู่และโรคที่ทำให้ตายเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคเดิมนะก่อนออกแต่เป็นโรคใหมนะ่อันนี้น่าสนใจนะ มันแสดงว่าอะไมันแสดงว่าการที่ไม่มีการทำนะจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพและเราก็ต้องยอมรับอย่างนี้ว่าสุขภาพ่เป็นปัจจั ย, อยของความสุขนะคนที่มีสุขภาพดีอาจจะไม่รวดตัวมีความสุข หรือว่ากําลังนั่งทับอยู่บนความสุข่างอะไรบ้างแต่เมื่อเราป่วยเมื่อไหรนี่เราจะรู้สึกเลยว่าเมื่อตอนที่เราไม่ป่วยเนี่ยมันสูงมากแล้วแต่คนไม่ค่อยได้คิดนะตอนที่มีสุขภาพดีก็อยากได้โน่นอยากได้นี่เมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์ถ้าตั้งที่ตัวเนี่ยครอบครองความสุขเต็มที่แต่เมื่อป่วยนะถึงจะรู้ว่าไอ้ตอนไม่ป่วยเนี่ยมีความสุข ลองดูนะครับไม่ว่าจะปวดหัวปวดฟันยังไม่ต้องยังไม่ต้องพูดถึงเป็นอะเรงหรือว่าเป็นโรคหัวใจงานวิจัยของอังกฤษอันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องชีง้อย่างหนึ่งว่าคนเหล่าที่ทําไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยนะก็สุขภาพก็จะแย่และการที่สุขภาพแย่สูงมัเป็นเรื่องจิตใจครับเป็นเรื่องจิตใจเพราะพอไม่ได้ทํางานเนี่ย ใหม่ๆก็อาจจะสบายอาจจะมีความสุขนะแต่เป็นประเดี๋ยวเดียวก็จะเริ่มหน่อยนะเพราะงานเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเฉพาะให้ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนแต่ว่ามันทำให้เกิดความอิ่มเอมใจทำให้เกิดความสุขใจทำให้เกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกว่าชีวิตู่คุณค่า ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะคนท่้คนแก่เนี่ย ถ, ถึงไม่ยอมอยู่เฉยนะอย่างน้อยก็ต้องหาถ้ามีลูกเลี้ยงมีหลานมาให้เลี้ยงก็จะมีความสุขนะหรือไม่ก็ทอผ้าสารกระบุงตับกล้านะอันนี้ผู้อื่คนในชนบทซึ่งหลายท่านเข้าใจว่าผมจะจะ สามารถเข้าใจสภาพเช่นนี้ได้ในขณะที่คนในสังคมเมืองเนี่ยพอกเกษียณแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรและเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวคือว่านะไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับหลานก็จะเริ่มหน่อยไฟเรื่อยๆแล้วก็อายุก็จะสัน้นกว่ากำหนดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งนี่คือเหตุผลทนี่ยตมาบุกบอกว่าการที่คนเราเนี่ย ได้ทางานเนี่ยโดยตัวมนเนงก็เป็นความสุขอยู่แล้วเพราะถ้าไม่ได้ทํางานนะก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่ารู้สึกชีวิตมันว่างเปล่าวันหยุดเนี่ยวันหยุดเนี่ยมันมีคุณค่าเพราะอะไรวันหยุดมีคุณค่าเพราะมันมีวันทํางานนะถ้าทุกวันเป็นวันหยุดหมดเนี่ยวันหยุดจะมีค่านะมันก็กลายเป็นไม่มีค่าขึ้นมาแล้วก็เริ่มเบื่อ มีเรื่องเล่านะมีคนหนึ่งเนี่ยเขาพอหมดลมหายใจแล้วเมื่อเขารู้สึกตัวขึ้นมาเขาก็พบว่าเขามาอยู่ในสถานที่ซึ่งสวยงามแล้วก็มีมีร่างมอนคล้ายคล้ายเทพในชุดขาวมาบอกว่ามีรายแจ้งผมงรใช้บอกนะครับผมหามาให้ได้ทุกอย่างไม่ว่าอาหารเครื่องดื่ม แม้แต่สุาาลานารีนะเรื่องบ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงสามารถจะหายท่านเนเหมือนคอยเรียกใช้มปมก็แล้วกันคนนั้นก็เลยได้เศษได้บริโภคอย่างเต็มที่เลยแต่เศษไปเสษไปเวลาผ่านไปผ่านไปชักเบื่อก็เลยเรียกล่างสีขานั้นมาว่าที่นี่มีอะไรให้ทำบ้างเนี่ยนะ ไม่ได้ทําอะไรเลยร่างสิงขาเขาบอกว่าขอขอโทษนะครับที่นี่มีทุกอย่างแต่มีอย่างเดียวที่ให้ไม่ได้คือไม่มีางานให้ท่านทําผู้ชายคนนั้นก็เลยสบถว่าถ้าอย่างนี้นที่นี่มันก็ในโกดีๆนั่นเองร่างสิงขาท่านก็บอกเลยว่าแต่ท่านคิดว่าที่นี่เป็นไรหรอครับไม่หัวร้อหรอฮะคือ เข า, าก็บอกว่าท่าที่ไหนที่ไม่มีงานทําที่นั่นแหละมันไม่มันก็คือนรกดีๆนี่เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมตะมาคิดว่าอันนี้เราประการแรกคือต้องเห็นคุณภาพของงานสชว่ว่าการที่เราได้ได้ทำงานเนี่ยนะมันมีความหมายในทางจิตใจแม้จะเป็นงานที่อาจจะไม่ทําให้ได้เงินได้ทองก็ตามนะคราวนี้ในเรื่องของการทํางานให้มีความสุขอัตะมาคิดว่า ปรเด็นแรกที่สำคัญเลคือเรื่องของแรงจูงใจนะเรื่องของแรงจูงใจมีช่างคูณสามคนนะคนหนึ่งเนี่ยทำงานด้วยความเฉเื่อยเนะืยคนที่สองทำงานไปก็ดูนาฬิกาไปคนที่สามทำด้วยความกระตือรือร้นหยิบอิดมาตอนะ เหยก็เหนื่อยแต่ว่าก็ทํางานไม่อยุดไปถามคนแรกว่ากําลังทําอะไรคนแรกบอกว่ากําลังก่ออิฐครับคนที่สองหละกําลังทําอะไรคนที่สามก็พูดอย่างไม่เงือยว่ากําลังต่อกําแพงส่วนคนที่สามนี่ตอบด้วยความกระตือรือร้นและความภาคภูมิใจว่าผมกําลังสร้างโบสถ์ครับ สอามคนเนี่ยทำงานอย่างเดียวกันแต่ความรู้สึกต่างกันและท่าทีก็แสดงออกต่างกันคนแรกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาทําแค่ก่อนอีก แ, แต่คนที่สองเนี่ยเขาเห็นท่ากว้างขึ้นเออเกาะกำแพงแต่คนที่สามเนี่ยมองทะลุไปถึงว่าเขากาลังสร้างโบสถ์สร้างวัดและความรู้สึกอย่างนี้ทําให้เขาทํางานด้วยความกระตือรือร้ น, รนเพราะว่า เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำเพราะเป็นอาชีพอดีอย่างเดียวแต่ว่าเขาได้ได้สร้างสิ่งที่มีประโยชน์เพราะอย่างที่เราทราบอยู่คนไทยเนี่ยปลูกพันธุ์กับเรื่องบุญกุศลงั้นาการที่ได้สร้าง ร, รู้สึกว่าตัวเอ้มีส่วนสร้างวัดเนี่ยเขาก็คืความภาคภูมิใจและนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมคนที่สามถึงมีความสุขมากคนที่หนึ่งและคนที่สคือเขาเห็นคุณค่าของงาน ในลักษณะที่กว้างอันนี้เราที่เราเรียกวิสยัยทัศน์นะถ้าคนเราเนี่ยเราเห็นคุณค่าของงานที่เราทำํำนะว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์โทษผลอย่างไรบ้างและเห็นถึงผลกระทบที่กว้างออกไปไม่ใช่แค่ก่ออิดไม่ใช่แค่ก่อกำแพงแต่ยังทิ้งตัวโบสเลยจะรู้สึกภาคภูมิใจแม่ครัวที่ทํางานในโรงเรียน คนสวนในโรงเรียนถ้าเขารู้สึกว่าเขาได้มีส่วนในการสร้างสร้างมนุษย์ให้เป็นดอกไม้ของโลกได้สร้างคนที่เป็นกำลังสำคัญให้แก่บ้านเมืองเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าคนแม่ครัวหรือคนสวนที่เห็นผลของงานเนี่ย แต่เพียงเฉพาะหน้านี่แต่มาคิดว่าพวกเราเนี่ยซึ่งทำงานในโรงพยาบาลหรือในระบบสาธารณสุขเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามนะถ้าเราเห็นคุณค่าั้งานว่าเรากำลังทําในสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและทาในสิ่งที่เป็นบุญกุศล เพราะว่าเรื่องของการช่วยคนมีความสุขมีสุขภาพดีนี่เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งนะบุญกุศลนี่ไม่ใช่ทำด้วยการมาถวายของพระถวายสังฆทานเท่านั้นแต่อยู่ที่การทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์งันถ้าเราได้เห็นว่าสิงที่เราทำเนี่ยมันเป็นทั้งประโยชน์ประโยชน์แก่สังคมประโยชน์กนแก่เพื่อนมนุษย์และเป็นประโยชน์แก่เราด้วยในในในในเรื่องของบุญกุศลเนี่ย อตาตมาเชื่อเลยว่าเราจะมีความสุขมากกว่าการทํางานเพียงเพื่อจะได้มีเงินเดือนเนะท่านั้นและสิ่งหนึ่งนี้มันอยู่ที่มุมมองนะฮะมุมมองงานอย่างเดียวกันแต่ให้ความรู้สึกต่างกันเพราะเรามองงานนั้นไม่เหมือนกันเรามองคุณภาพของงานนั้นไม่เหมือนกันอตาตมายอยากจะให้เราเนี่ได้ลองมองเปิดวิสัยทัศน์ของเราให้กว้าง และเด่นเปหนักว่าสิ่งที่เราทําที่มีค่าอย่างไรบ้างแม้บางคนอาจจะเป็นแค่เจ้าที่ฝ่ายการเงินแม้บางคนอาจจะเป็นแค่พนักงานทําความสะอาดถ้าเรามองให้เป็นเนี่ยเราจะเห็นเห็นความสุขอยู่แค่เอื้อมความสุขเนี่ยมันป ร, ปรากฏให้เราเห็นอยู่แล้วถึงที่ว่าเราจะเห็นหรือเปล่าคุณหมออุดมศิลป์ สีแสงนานเนี่ยซึ่งหลายท่านคงจะรู้จักท่านเคยเป็นอดีททรัตนนจริยกระทรวงศาแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบันในเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์งเรื่องเรื่องการงดเหล้าท่านได้เคยพูดถึงประสรบการณ์ครั้งหนึ่งสมัยที่ยังไปไปไปทำงานธุรกิจให้กับครอบครัวก็สังเกต ว, ว่าทุกเช้าเนี่ยเวลาเวลาไปที่ที่ออฟฟิศ ซึ่งเป็นอาคารใหญ่นะจะมีพนักงานดูแลรถคนหนึงซึ่งเป็นคุณลุงทำมาสิบกว่าปีและอาจจะย0สิบปีด้วยซ้ำทำด้วยความกระตือรือร้นมากในการในการในการกำกับรถคล้ายจราจรหาที่จอดรถให้รถที่เข้าแล้วก็ให้สัญญาณรถที่ออกมีความสุขเงินเดือนก็ไม่มากเท่าไหร่นะ ก็เลยไปถามวันหนึ่งว่าคุณลุงทำไมทำงานมีความสุขอย่างนี้คุณลุงนั่นก็ตอบว่าจะไม่สุ ข, ขได้ไงอ่ะที่ผมทำมันสำคัญนะเวลาผมกํากับจราจรผมยกมือรถคันไหนรถคันนั้นก็ต้องจอดจะเป็นเจ้านายหรือผู้จัดการผมสั่งให้หยุดก็ต้องหยุดผมสั่งให้เข้าเ น, นี่ยเข้ามาได้ คือเขารู้สึกเลยว่านี่ก็ทำเนี่ยมันมีค่านะเนี่ยที่ทำให้คนอย่างนี้แหละจะอายุยืนก็เพราะรู้สึกว่างานที่ดูเองทำมันมีค่าและคนอย่างนี้ทำไม่ได้ทํางานเนี่ยธรรมมาช่วยแลยว้วก็จะตายเลยนะเพราะว่างานเนี่ยมันทำให้เขามีความสุขน ะ, แ ล, ะนแล้วคนเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจงานมองงานอย่างนี้เนี่ยมาคิดว่าไม่ว่าอยู่ตาแหน่งไหนเนี่ยขอให้มองเป็นเถอะก็จะเห็นความสุขอยู่แค่อื่อนนั่นเอง หรือความสูงแค่ปลายจมูกอันนี้มันเป็นเรื่องของอุบายของวิธีการมองถอยลังกลับไปในะสมัยเมื่อสัก60กว่าปีก่อนเนี่ยก็มีเรื่องเล่านะมีสมียอ็นในธรรมเนียรั ฐ, รฐบาลตอนนั้นเป็นยุคที่จอมพลปอเป็นนายโรัฐมนตรีสมียนคนนี้เนี่ยก็พูดกับเพื่อนในรมเนียในระดับเดียวกันนะฮะ ว่าไอ้งานที่เขาทำเนี่ยมันดีกว่างานของนายรัฐมนตรีสนะิแล้วก็ก็ทํามีความสุขมากแล้ววันหนึ่งคําพูดนี้เนี่ยก็ไปถึงหูจมอมพลปแล้ววัจาํามพลปก็เรียกสมริยงคนนี้เข้าไปถามว่าพูดจริงจริงหรือเปล่าไอ้บอกพูดจริงงานที่ผมทำมันดีกว่าท่านของท่านนั่งเยอะผมเนี่ยมันยังมีทางก้าวหน้าท่านมันตันแล้วแลนะ้วนเนี่ย คือเขามองนี่เอาเป็นเสมือนที่มันมีทางไปมนะันมีทางไปไเรื่อยๆมีความหวังอนะ่นะคือการมองนี้ก็มองนี้ก็มีประโยชน์นะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องตัวเองนะไม่ได้เกี่ยวเรื่องการช่วยโลกช่วยอะไรช่วยพัฒนยชาติอะไรเลยแต่ว่าการมองอย่างนี้ก็ทําให้มีความสุขแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยศิลปะในการมองอย่างนี้เราไม่มีกันแล้วเนะพราะเราถูกกาหนดให้มองแต่มุมเดียวคือเงินเดือนตําแหน่ง เราวัดกันด้วยด้วยแค่นี้เนี่และเอาความสุขไปฝากตรงนั้นแหละเมื่อเราเอาความสุขไปฝากไว้ตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทํามันก็กลายเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาเรียกว่าตัณหาตัณหาคือไนงะตัณหาคือความอยากที่จะได้เสพหรือว่าได้มีได้เป็นในพุทธศาสนาบอกว่าความอยากไม่เสียหายแต่มันมีอยากที่ดีกว่านะั้นคืออยากทา อยากทำคือการอยากที่จะประกอบเหตุอยากสร้างบ้านอยากอยากกวาดบ้านอยากทำสวนอันนี้คือการประกอบเหตุอยากช่วยคนป่วยนี่คือการทำเหตุส่วนตันหาเนี่ยคือการอยากได้ผลอยากได้เงินเดือนอยากได้ชื่อเสียงอยากได้ตำแหน่งนะอยากได้คะแนนหรือที่เตยงไม่ต้องทาอะไรและไม่อยากจะทด้วย แล้วส่วนใหญ่เนเวลานี้เนี่ยทุกเพราะว่าเราไม่อยากทํางานแต่เราอยากได้อะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นฉันทะนะคือความอยากทําเรามีความสุขที่ได้ทําเหมือนกับสมเด็จคนที่ว่าเหมือนกับคุณลุงที่เป็นจราจรจําเป็นคนนั้นเนี่ยแกอยากทํามาทุกวันตืนเช้าขึ้นมาแกอยากมาแกาอยากมามาทํางานนะเรื่องเงินเดืนต่างๆไม่เป้สําคัญ เรความแตกตา่างไหมระหว่างคนระหว่างการทําด้วยชันทะคืออยากทํากับการทำงานด้วยตังหานคืออยากได้มันต่างกันเรามาคิดว่าลองลองพิจรารณาดูว่าสิ่งที่เราทําเวลานี้เนี่ยมันมีคุณค่าอะไรบ้างที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของ เ, เงินหรือว่าสิ่งที่จะมาตอบสนองตัวต น, น, น <ะ S 1> แล้วถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีความสุข ที่ได้ทําตรงนี้เนี่ยอาตมาเรียกว่าแรงจูงใจมันเป็นต้นทางมันเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานคราวนี้เมื่อเราล ง, ลงมือทํางานในกระบวนการทํางานเนี่ยซึ่งเป็นขั้นตอนที่สองถ้าเราเริ่มต้นการทํางานด้วยแรงจูงใจที่ดีดการทํางานของเราเก็จะมีความสุขใ น, ในทางพุทธศาสนาเห็นว่าสิ่งสําคัญอันเนื้อก็คือว่าทํางานเนี่ยควรจะมีสติกับการทํางาน สติหมายถึงอะไรคือการอยู่กับปัจจุบนันนะเวลาเราทํางา น, นเนี่ยเรามักจะมองไปข้างหน้าว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะหรือมองไปถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะเห็นอุปสรรคข้างหน้าแล้วมันก็ท้อเห็นเห็นว่าโงานอีกต้องหลายขั้นตอนต้องหลายเดือนกว่าจะเสร็จก็ท้อนะ แต่ถ้าเราพยายามมองว่าวันนี้ทําอย่างไรที่จะทําให้ดีมองว่าทํำยังไงชั่วโมงนี้จะทําให้ดีมองแม้กระทั่งว่านาทีนี้หรือวินาทีนี้จะทําให้ดีได้อย่างไงเราจะใจเราจะสบายขึ้นเยอะเลยเพราะความท่วขงการทํางานในส่วนใหญ่พราะไปอยู่กับอดีตความล้มเหลวที่ผ่านมาไปอยู่กับอนาคต เมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเวลาเดินทางเราควรทราบ ด, ดีเวลาเดินทางเนี่ยถ้าว่าพระใจนึกว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเป็นไงฮะมันรู้สึกนานกว่าจะถึงแล้วบางทียิ่งเร่งให้ถึงกับช้านะยิ่งเล่ถึงกับช้าที่สุขุมวิทเนี่ยมันมีซอยหนึ่งแถวซอยประสานบีเนี่ยเป็นซอยภายในซอยยังมีสี่แยกในซอยนะมีสีแยก รถขับขางมากรถบางคันก็อยากจะรีบไปอยากจะเลี้ยวซ้ายหรือยากจะเลี้ยวขว า, อ, า, ากออกไปทางอสโศกแต่ข้างหน้านี่ก็อยากจะตรงเข้ามานะไม่มีการไม่มีไม่มีใครให้ทางกันนะเพราะอยากจะเร่งอยากจะรีบไปให้ถึงจุดหมายเสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็ติดกันอย่างนั้นและกลับชาที่สาคัญคือว่าคนที่ยิ่งอยากจะไปถึงเร็วๆจะป่อชานี้ทำงาน โมโหลุกขึ้นมาลงจากรถขึ้นมาดา่ากั บ, บ ว, วนะุ่นวายนั้นยิ่งทําให้ช้าเข้าไปใหญ่แต่ทําไมถึงลุกโมโหวายเพราะอยากให้ถึงเร็วเนี่ยเพราะความอยากได้ถึงไวๆเนี่ยก็เลยต้องอ ด, ดนทนไม่ไหวต้องลุกมาดา่าและการดา่าการก็ทําให้ช้านะยิ่งดา่าก็ยิ่งช้าอันะนี้คือคนละนี้ถ้าเราถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยมันยิงอยากจะให้เสร็จเร็ว อยากได้ถึงเด็วๆ เ, วเมันกลับช้าไปยังไม่ต้องพูดถึงกรณีคนที่เร่งขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุเพราะความเร่ง mm hmm. เนี่ยตมาคิดว่าเวลาทํา ง, งานเนี่ยเราอย่าไปอย่าไปพะวงกับอนาคตมากอย่าไปพะวงกับข้างหน้าเกินไปเวลาทาอยู่กับปัจจุบันให้ดีเนี่ยตมารับรองเลยว่าจะมีความสุขขึ้นและจะมีสมาธิ นะอันนี้เป็นเป็เปหัวใจและยิ่งทำโดยไม่สนใจไม่ไปห่วงผลที่จะเกิดขึ้นถ้าทำโดยไม่ห่วงผลที่จะเกิดขึ้นก็ยิ่งมีความสุขนะบ่อยครั้งเี่เรามักจะหวูดผลว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะและเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำหรือทำก็ไดยทำด้วยความทุก พูดอย่างนี้ไม่ได้แปล ว, ว่าผลไม่สําคัญนะแต่ว่าผลที่มันเกิดจากเหตุถ้าเหตุไม่ทําให้มันดีผลมันดีไม่ได้นะแต่ว่าผลนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยหลายอย่างเวลาเราปลูกต้นไม้เนีปลูกมะม่วงก็ดีเนี่ยเราทําได้อย่างมากคือลดน้ำดูลดดินใส่ปุ๋ยนะอย่างอื่นเราทาไม่ได้นะแต่ต้นไม้มันโตให้มันจะโตได้มันต้องอาศัยนะ้ำอาศัย ความชื้นอาศัยแสงแดดขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ขึ้นอยู่ว่าไม่หยุดใครมาขับรถชนด้วยไ mm hmm. อ, อของพวกนี้เนี่ยมันเราคุณไม่ได้แต่ท mm hmm. างพาศาสนาเนี่ยจะเน้นเลยว่าให้เราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นแหละที่เรียกว่าคือการมีสติถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยอย่าไปหวงผลทําไปเน่ยถ้าลดน้ําต้นไม้ไปเล่งไปเมื่อไหร่มันจะถึงเมื่อไหร่มันจะออกเมื่อไหร่มันจะออกอ น, ออกอ น, ออกนี่ทุกมากเลย ไดครับได้การพุทธมีสติผมเห็นในครั้งทธาที่พิเรื่องบรงตอบ ก, กันมาพระพุทธองค์ถามพระอานดนว่าอานด์เธอมีสติมา ก, กนนขนาดหนในแต่ะวันถ้าอานด์บอกพระพุทธองค์ว่าของฉันมีสติทุกเวลาพระเจา้าค่ะยังไม่พออานเธอต้องมีสติทุกลมหายใจเข้าออก คือออกก็ตายตายคืออย่างนี้อย่างนี้คือมีสติใช่ไอาจารย์ครับในกรณีนั้นเขาจะอาจารย์ท่านพะอาจารย์พูดถึงมรณะสติมรณะสติแต่สติเนี่ยสติในพระหมายที่เป็นสัมมาสติเนี่ยที่รู้อยู่ปัจจุบันนี้ถูกแล้วต้องทาตลอดเวลาทุลมหายใจมรณสติก็เช่นเดียวกันที่ก่อฤทธิ์ยาขัดตอนที่นาจายลังบรรยายนี่ครับ เพราะว่าจยากทประชาสัมพันธ์ถึงญาติโยมที่ดูแลการกระชุมอยู่ให้สบายงานด้วยขอบคอาจารย์ก่อครับแล้วถ้าเราถ้าเราถ้าเราทํางานอย่างมีสตินะอย่างที่ตมาว่านะจะเบาเพื่อนขอาตมาเนี่ยเป็นเป็นอาจารย์เป็นพระเซนนะเขาเป็นเขาเป็นฝรั่ง แต่นับถือาศาสนาที่ายเซนแลวเป็นนัก บ, บวชเขาเริอ่อาจารย์ของเขาชื่อชุนเรียวสุสุกิชุนเรียวสุสุกิเนี่ยเป็นผู้ไปกอ่อตั้งวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกเมื่อ40ปีที่แล้วนะเมื่อตอนไปสร้างวัดใหม่ๆเนี่ยต้องลงมือทำเองแล้วก็มีลูกศิษย์ูกหาชาวอเมริกันซึ่งเป็นวัยรุ่นสามาช่วยวัดเซนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วต้องใช้ดี อาจารย์ชุนเลียวซึ่งอายุหกสกว่าแล้วตอนนั้นแล้วแล้วก็ตัวเล็กทำงานทั้งวันเลยขนหินขนอินทั้งวันส่วนลูกศิษย์ชาวอเมริกันตัวใหญ่อายุแค่ยี่กว่าคที่เป็นฮิปปี้นงสนให่เพราะสมัยก่อนมีแต่ฮิปปี้ที่สนใจในเรื่องเซนทำได้ขึ้นวันหมดแรงสงสัยว่าอาจารย์ชุเลียวทาไมทาได้ทั้งวันอาจารย์ก็บอกว่า ก็ผมพักตลอดเวลาดิงงไหมฮพักตลอดเวลาพักตรงไหนฮะพักใจใจไม่ได้แดกด้วยใจไม่ได้แดกหินด้วยแดกแต่ตัวมีแต่กายที่แดกแต่ใจไม่ได้แดกคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เวลาายกหินใจก็แดกด้วยเมื่อไหร่จะเสร็จว่าเมื่อไหร่จะเสร็วเห็นไหมคือแม้แต่ทํางานหนังสือทํางาน ทำงานเสมียนหรือทำงานในออฟฟิศนะเราแบกเราแบบแบบปัญหาแบกความคาดหวังโดยเพราะความยึดมั่นในผลที่ยังไม่ออกมาไม่มาคิดว่าตรงนี้แหละถ้าเราทำงานในองค์กรคือการรู้จักวางบ้างอยู่กับปัจจุบันให้ดีนะนในกระบวนการทำงานเนี่ย นะตรงนี้สำคัญแต่แน่นอนเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานกับหลายคนนะตรงนี้เนี่ยการมีสติก็ต้องมีสติสตในความสัมพันธ์ระหว่างซึ่งกันและกันด้วยเสียงที่กระทบเข้ามาใส่หูเรานะถ้าเราไม่มีสตินะเราก็ทุกข์นะครับ แต่ถ้าเรามีสติเมื่อไหร่นะเราจะตั้งหลักได้เรื่องคําติดชดที่สําคัญนะและคําติดชด น, นี่ทําให้เราทุกข์เพราะว่าเราพอไม่มีสตินี่ไหมเราก็เอาเรื่องของตัวตนเนี่ยเข้ามาเป็นใหญ่ <c oughs> เขาวิจารณ์งาน <c oughs> ก็รู้สึกว่า เขากำลังวิจารตัวเราเพราะนี่มันเป็นงานของครูวิจารณ์งานของครูคือวิจารณ์ตวัวครูตรงเนี้ยสาคัญนะฮะจกักรวุฒิธรรตัวครูของครูสําคัญเวลาเราทํางานเนี้ยเราไม่ได้มีความสําคัญตั้งแหมายที่ ย, ยึดอะไรเป็นของเราและคําวิจารณแม้เพียงแค่วิจารณงานวิจารณความคิดมันก็ทะลุมาถึงตัวครูใช่ไหมเพราะเราไปยึดที่เป็นงานของครู เรามีรถอยู่คันหนึ่งนะถ้าเราไปยึดมัน่นสําคัญหมายว่านี่คือยึดมัน่นและถือมั่นว่านี่เป็นรถของกูนะต้อมาใช้คําว่าของกูตามแนวจางพูดท่าถ้าเราไปยึดมัน่นมันจะเป็นรของกูเนี่ยเวลาใครมาบอกว่ารถคันนี้มันสีไม่สวยเก่า<ๆ>ไปเราจะรู้สึกหรือว่าเขากําลังทิ้งแทงเราเพราะแล้รเพราะไอความเป็นตัวกูเนีะวิจารรถของกูคือวิจารตัวกู ตอนน้เขาไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้หมายมั่นอะไรกับเราเลยเพราะเพียงแค่พูดถึงรถแต่ทําไมมากระทบถึงเราได้เพราะตัวกูเนี่ยและตัวกูเป็นเกิดขึ้นได้เมื่อเราไม่มีสตินะเราไม่มีสติและเราลืมแล้วว่าเราทํางานเพื่ออะไรเราทํางานเพื่อส่วนรวมเราทํางานเพื่อให้เกิดเประโยชน์แก ส, ส่วนรวมนะแต่ว่าเวลามีคนวิจารณ์เนี่ยถ้าเรามีสติเราควรจะรู้ว่าเออ ที่เขาพูดอย่างนี้เนี่ยลองมาดูซิว่ามันจะช่วยให้งานดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะรู้สึกเลยว่าเราจะรู้สึกเลยว่านี้เขากำลังเขากาลังวิจาร์ตัวเราอุ้งคือเราเอาตัวตวนเข้าไปรับ ตรงนี้คือคือคือคือปัญหาแต่ถ้าเราตรงนี้ที่ทางภาษาศาสต้เรียกว่าเรื่องของอัตราเรื่องของมันนะหรือเรื่องของตันหาคือเราทำเพราะต้องการการต้องการคำชมต้องการคสาสรรเสริญแต่ถ้าเราเป็นคนทำด้วยฉันทะเราอยากทาเราอยากทำเพราะมันเป็นงานที่ดีมีประโยชน์ พราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้ง่ายของเรามันมีประโยชน์มันมีผลดีเราก็พอใจเราก็จะรับยินดีรับฟังคําวิจารตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคำวิจารเนี่ยไม่ว่าจะออกมาจากจิตที่เจตนาดีหรือเจตนามไม่ดีก็าตามมันล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นอาจจะมีความจิต คววิจารณ์ที่ออกมาจากจิตที่เป็นกุศอภนะิษณน่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นความไม่จริงสักเกแต่อาจจะมีความจริงอยู่ 5% อราตมาก็คิดว่าก็น่าจะเอามาใช้นะแล้วเราลองดูให้ดีเลยความวิจารณ์ทั้งหลายมีประโยชน์ทั้งนั้นอาตมามั่นใจว่าความวิจารณ์ทั้งหลายมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มันไม่บอกอะไรเกี่ยวกับงานของเรา อย่างน้อยมันก็บอกอะไรเกี่ยวกับนิสัยของเขาก็ทําให้รู้จักเขาได้มากขึ้นว่าเขาเป็นคนอย่างไรนะ ไ, ได้ประโยชน์นะแล้วลองดูนะความวิจารณ์เนี่ยถ้ามันไม่บอกอะไรเกี่ยวกับเราที่เป็นประโยชนนะ์มันก็บอกอะไรเกี่ยวกับเขาเช่นในิสัยใจคอของเขาซึ่งก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเราก็จะได้รู้ว่าเออต่อไปนี้เราจะคบกับเขาแค่ไหนหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไร แต่ที่สาคัญก็คือคำวิจารณ์เนี่ยมันสะท้อนหรือมันบอกสัจธรรมความจริงในเรื่องของโลกธรรมโลกธรรมคืออะไรสารเสริญนินทาเป็นของคู่กันลา ก, กับเสือมรากเป็นของคู่กันยศและเสื่อมยศเป็นของคู่กันเวลาเราเวลาเวลาได้รับคำวิจารณ์นันตมาคิดว่า ดีมันช่วยเตือนใจแล้วว่าอย่าไปเพลินกับคําสารเส ร, รสิญเพราะถ้าเราเพลินความจำสารเสวนเวละเลสรรสนน่นทุกเพราะว่าสารเสริญนั่นกับดินฐานของคูกานวันนี้ชมพรุ่งนี้อาจจะเจอคําด่าหรือคําวิจารณ์มันเป็นการเตือนให้เราย้อนลับสณะการทความจริงว่านี่คือโลกธรรมที่เราไม่ควรจะเอาความสุขที่รับผูกติดกับสารเสริญเพราะว่าสักวันหนึ่งมันก็จะแปลเป็น คำตํำหนิหรือยิงทานด้วยนี่สมาชิกว่าถ้าเรามองแบบนี้นะเราจะได้ประโยชน์จากคําวิจายัยและคําวิจายัยจะทําให้เราไม่ทุกขกับการทํา ง, งานเจ้าของเมืองโบราณนะฮะบุเล็กมิริยพันพวกเราคงจะจำเมืองโบราณแกผู้ไว้ประโยชน์หนึ่งนะน่าสนใจเขาบอกว่าวันไหนไม่ไม่ได้รับคําตําหนิวันนั้นเป็นอากมงคลคนะ ลองนึกดูนะฮะวันไหนไม่ได้รับคำตอนรับวันนั้นเป็นอัุมงคลคําต้อนรัที่เป็นมงคลนะคือมันมันช่วยอย่างน้อยยังมันช่วยชุดเราไม่ให้ลอยนะให้อยู่กับความเป็นจริงว่านี่แหละคือโลกความเป็นจริงเคืออนีน ะ, นะแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะหลุดพ้นหรือข้ามคนจากสารเสื่อและดินทานได้ต้องมาคิดว่า มันเป็นสิ่งท้าทายของการทํางานว่าเราจะเราจะเอาชนะสารเสริญและนินทาได้อย่างไรและสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยช่วยทำให้เรามีความใจที่โปร่งเปามากขึ้นนะพวกคนเราเนี่ยไปเอาตัวตวนไปปุ่มติ่งกับสารเสริญและนินทามากนะเวลาใครสารเสริญก็มีความสุขเวลาใครนินทาก็ทุกข์ แต่ว่ามันยังมีสภาวะที่เราสามารถเทียจไปพ้นจากสิ่งตรงนี้ได้นะและเราจะทํางานได้มีความสุขมากขึ้นอันนี้รวมไปถึงเรื่องของความสําเร็จและความล้มเหลวด้วยนะฮะใครๆก็ต้องการความสําสเร็จแต่สิ่งนึงก็ต้องยอมรับคือว่าความสําเร็จนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ม, มากมายที่จะต้มาว่าสิ่งที่อยู่ในอํานาจของเราคือการการลงมือทา ส่วนผล น, นั้นขึ้นอยู่เหตุประจัยต่างๆมากมายภาซิตจริงเขบอกนี่ว่าการกระทําเป็นปของมนุษย์ความสําเร็จเป็นของฟ้าจริงไหมฮะกว่าต้นไม้การเวลาระบลกสวนเนี่ยการกระทําเป็นปของเราเราลดน้ําคนดินแต่การที่ต้นไม้จะออกดอกออกผลแค่ไหนเป็นเรื่องของฟ้าเลยฟ้าหลายที่มันเป็นตประจัยต่างๆมากมายซึ่งไม่อยู่ในอำนาจเรา เพ่อแต่มาเวลาคิดว่าเวลาทำงานเนี่ยนะเราลองทำโดยอยู่กับงานแต่อย่าไปผูกติดกับผลสำเร็จนะอย่าไปสํงคันมั่นมากกับผลสำเร็จมากเกินไปไม่เช่นนั้นเราจะทุกข์ทุกข์เพราะว่าไม่เป็นไปตามใจหวังทุกข์เพราะว่าเจอความรุ่นเรศที่จริงความร้่นหลไม่มีประโยชน์นะถ้าเราทำงานด้วยฉันทะ ด้วยความใยด้วยความอยากทำเนี่ยเราอยากจะให้งามมันดี <c oughs> เราจะพูดว่าความล้มเหลวบางอย่างเนี่ยมันช่วยทำให้เราเกิดความรู้มากขึ้น <c oughs> ล้มเหลวทุกครั้งฉลาดทุกทีมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนักประดิษฐ์นะโทมัสอเวลีสันแกประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าปัญหาขงแกรือว่าจะเอา เอาอะไรมาทำเป็นไส้ไส้ไส้หลอดไฟใช้ผมก็ใช้ผมคนรั่งผมมาก้าะแกใช้วัสดุต่างทาลองวัสดุต่างเนี่ยหลายร้อยชนิดนะกว่าจะลงตัวจนกระทั่งเป็นเป็นหลอดไฟคนไปถามแกว่าไอตอนที่ทำลุ่มเหลวเนี่ยไม่ทอ้อเหรอฮ ผลิตภัณฑ์ต่างๆมาทำเป็นใส้ไม่สำเร็จแกบอกว่าไม่ท้อหรอกเพราะว่าความลุ่มเหลวแต่ละครั้ทำให้แกรู้ว่าไอ้วัสดุชนิดนี้มันใช้ไม่ได้ได้ความรู้ขึ้นมาอย่างท้าแม่ตมาคึถึงนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเป็นนักเีวิทยาแกใช้เวลา20ปีนะกว่าจะค้นพบว่า มนุษย์เราเผยแพร่หรือว่าส่งทอดพันธุกรรมผ่าน DNA อ็นอความรู้นี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นความรู้ที่ปฏิวัติโลกมากเลยเพราะ d n เกลายเป็นเรื่องสำคัญมากในวงการคอนธุวิศว ก, กรรมแล้วก็การรักษาสุขภาพการรักษาโรคแกใช้เวลา20ปีเนี่ยอยู่ในห้องทดลองตลอดเวลาแล้วล้มเหลวหลายครั้งแต่แกมีคมติอย่างนี้นะจะบอกว่า เมื่อล้มแต่ละครั้งจะต้องหยิบอะไรขึ้นมาอย่างน้อยก็สักอย่างอย่าขึ้นมาตัวเปล่าจะต้องหยิบอะไรขึ้นมาอย่างสักอย่างเข้าใจไหมครัเวลาล้กแต่ละครั้งเนี่ยลลคุณต้องหาบทเรียนให้ได้อย่างน้อยสักอย่างคนเราส่วนใหญ่ล้มแล้วเนี่ยไม่ยอมหยิบอะไรขึ้นมาเลยแล้วบางทีก็ไม่ลุกด้วยแต่คนนี้เนี่ยแกศึกษามาความล้มเหลวที่ทําอะไรแกไม่ได้เลยแล้วใช้เวลา20ปีนะะ มาคพบดีเนเอมาค้น พ, พบว่า DNA ทําหน้าที่อะไรในการสืบทอดพัตธุกรรมหรือว่าลักษณะของมนุษย์จากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งแล้วตรงนี้เนี่ยเรื่องความความศิล ป, ปะในการทํางานอย่างมีความสุขการการเรียนรู้จากความล้มเหลวนะและการอยู่วความล้มเหลวได้ไม่ได้อยู่กับปางนะอยู่เพราะสามารถที่จะ เก็บเกี่ยวบทเรียนหรือประโยชน์อาจจะเป็นความรู้อาจจะเป็นความอดทนที่เพิ่มขึนมากขึ้นเมื่อเราได้ทำเมื่อเราได้ได้เจอความโน้มเหลี่วเจอความยากลำบากนะแล้วแต่ควาของวิสุทธิไ์ได้เหมือนกับเราฝึกที่จะเวลาถูกคนวิจารณ์แล้วยิ้มไดนะ้เวลานี้เราเร า, เราโปรแกรมตัวเองเนี่ย โดยไม่รู้ตัวว่าถ้าใครวิจารเราเราโกรธได้ยินเสิ่งวิจารปุ๊บโกรธ ท, ทันทีไอ้สิ่งนี้มันเป็นรีเฟล็กที่เราโปรแกรมหรือเราฝึกฝนตัวเองมาตั้งแต่เล็กันน้อยแต่เราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ให้เกิดรีเฟล็กชนิดใหม่คอยวิจารปุ๊บยิ้มเลยนะอาจารย์พุทธทาสีท่านนะ เวลาท่านสมัยที่ท่านยังหนุ่มๆเนี่ยท่านต้องก่อก่อสร้างอุตรติอาคารขนาดด้วยตั ว, วท่านเองเป็นช่างไม้เวลาตอกตะปูก็มักจะถูกนิ้วแล้วก็เจ็บแล้วก็ร้องโวยท่านฝึกหมายว่าถ้าถูกตะปถถูถ้าถูกคอนตีนิ้วจะยิ้มแล้วหัวเราะได้ไหม แต่ท่านทำได้ท่านแต่ใช้เวลาหลายปีนะฮะประมาณสามสี่ปีนะแต่ว่ามันจะเป็นรีเฟกเนี่ยคือถูกค้อนทุกหัวล้อเลยใชยต่ต่อมาคิว่าเนี่ยเป็นศิล ป, ปะในการทำงานอย่างมีความสุขือว่าเวลาใครวิจารแล้วเนี่ยเราไม่เราไม่ทุกข์นะเพราะเราเห็นประโยชน์ของคำวิจารณเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยสุดเราหลายอย่างนะ เพราะว่าพระอาจามาคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจุดได้นะฮะแต่ว่าอยา่างไรก็ตามเนี่ยอนอกจากเรื่องของคำวิจารณ์แล้วเนี่ยหรือเรื่องความเสื่อมความลุ่มเหลวแล้วเนี่ยอาจมาคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งสําคัญในการที่จะทให้งานมีความสูยคือโดยเฉพาะ เวลาเราทำงานกับคนหลายคนเนี่ยก็คือการที่ได้ร่วมือการทำงานอย่างมีส่นวนร่วมเวลาเราเราทำงานแล้วเราได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเนี่ยหรือวลาเราทําทำงานแล้วเราเปิดให้เพื่อร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นจะมีความสุขสุขมากกว่าการทำงานประเภทว่ามีเจ้านายแล้วก็สั่งลงมาสั่งลงมา นะเมื่อทำงานแล้วเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะได้แสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ระดับต่าหรือระดับสูงมันทำให้เขาสึกเกิดความมั่นใจทำให้เขาเกิดความสุขภูมิใจเพราะเขาด้มีส่วนร่วมและความภูมิใจเราเนี้ยมันเป็นบอกเกิดนความสุขในการทำงานเวลาที้การทำงานเนี่ยไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนได้ภูมิใจ เพราะว่ามักจะมีการสั่งจากบนลงล่างโดยเฉพาะที่เขาวิจารณามากคือระบบราชการซึ่งเป็นระบบที่บางท่านเรียกว่าอำนาจ น, นิยมก็คือว่าใครมีอำนาจก็สั่งใครมีอำนาจกว่าก็สั่ง ข, นนส ง, ข ง, งข้างล่างข้างล่างสั่งต่อไปอีกทีโดยที่ไม่ได้เปิดให้มีการมีส่วนร่วมโดยที่ไม่ได้ใช้ไม่แสดงหาความรุ่งเรืองซึ่งจะทําให้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาทำงานก็ไม่มีความสุข เ, เขาไม่มีโอกาสได้แสดงออกเขามีโอกาสได้แสดงความสามารถเขามีโอกาสได้ได้รู้สึกเขเป็นเจ้าของผลงานและตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ทําให้งานมีความสุงนะถ้าได้มีส่วนร่วมงานก็จะออกมาดีด้วยทําไมรถของญี่ปุ่นมันดีกว่ารถของอเมริกันทำไม quality control ญี่ปุ่นถึงดีกว่ า, วาของของของของอเมริกัน เพราะว่าการทา ง, งานของญี่ปุ่นนี่เขาไม่ไว่าจะเป็นไม่ไว่าจะเป็นคนทา ง, งานระดับไหนแม้กระทั่งระดับที่ขันน็อตขันตะปูมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการวางแผนและสามารถที่ออกคำสั่งให้สายพานเนี่ยมันอยู่ทา ง, งานได้ถ้าเกิดพบว่าชิ้นส่วนมันมีคุณภาพต่ำ ทุกคนหยุดได้หมดเลยนะซึ่งในอเมริกาไม่ยอมนะมันต้องให้หัวหน้ามาทําหัวหน้าเขานัเทศที่จะหยุดหยุดหยุดพานไอพานส่งของได้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้อหํานาจทุกคนระดับล่างนะคุณหยุดได้ถ้าคุณเห็นว่าของที่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีคุณภาพคุณหยุดเลยและกา ร, ยกกรหยุดอย่งนั้นเนี่ยมันกระทบคนอหม่นมากเลยนะเพราะว่าสายพันธุ์มันมันต่อทอดลันต่อกันเทอดทอดของประมาณพันกต่ชิ้นสองพันชิ้นเนี่ยถ้าคุณหยุด แค่ช่วงส่วนในส่วนเนี่ยที่หยุดหมดแต่ว่าสําคัญแล้วมันทําให้คนอื่นเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าถ้าถ้าตัวเองไม่ระมัดระวังแล้วคนอื่นเห็นทีคนเื่นกยู่ถูกกระทบหมดไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ทำให้ทำไมการทางานของญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดเกิดผลงานที่ดีแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็อุทิศชีวิตให้กับบริษัทจนตายตรงกันทะํามือเรื่องนี้ซึ่มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง อาจารย์คิว่าตรงนี้เรื่องการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญในการที่ทําให้การทํางานมีความสุขซึ่งอันนี้เนี่ยผู้ที่เป็นผู้ที่เป็น เ, เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยควรทีให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยและเรา ท, ทําโรงพยาบาลเนี่ยอาจาคิดว่าแม้กระทั่งให้ผู้ปป่วยหรือให้ให้ให้คนไข้หรือญาติคนไข้เขาจะมีส่วนร่วมได้ ย, ยิ่งดีอย่างน้อยได้มีส่วนร่วมในการบน อาตมาทำช่วยทำวิจัยและอบรมการแก้ไขความขัดแย้งในโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลที่ทำการวิจัยประมาณสามโรงพยาบาลและพบอย่างหนึ่งว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ที่ทสมสุทรปราการเนี่ยเขามีบางท่านจะทราบดีเขามีห้องสบายใจห้องสบายใจทำอะไรให้ให้ญาติผู้ป่วยมาบนให้ญาติผู้ป่วยมาบน ยาในห้องนี้เน so ี่ยนะเจ้าที่จะเป็นลาสารสมัครนะจะมารับฟังคําบนอย่างเดียวเลยชงกาแฟให้ด้วยแต่งตัวสวยเลยชงกาแฟให้บนแล้วมาบนขึ้นไปแล้วก็แก้ปัญหาด้วยไม่ใช่รับฟังคําบนอย่างเดียวปรากฏว่าปัญหาเรื่องร้องเรียนความขัดแย้งในโรงพยาบาลนี้ลดลงไปเยอะเลยผู้ป่วยยากที่ป่วยก็มีความสุขก็ได้มีส่วนร่วมนะแต่แน่นอนความมีส่วนร่วมน่าจะมีมากกว่านี้ แล้มันก็จะทำให้ปัญหาในโรงพยาบาลซึ่งเนล้ไมไมีความสุขเลยผู้ป่วยญาติไม่มีความสุขคนทางา น, นก็ไม่มีความสุขพยาบาลแพทย์อาธมาค่าสูงเป็นเพราะตรงนี้ด้วยนะอาธมาก็ใช้เวลาพอสมควแล้วนะก็คิดว่าคงจะพักตรงนี้ก่อนเพื่อได้มีคำถามครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านฟังดเลยดีท่านอาจารย์ ไม่มีการคนคณาทาอะไรหรืออพยพกระดีขนาดนั้คือผู้ฟังเะได้ฟังคนต้องออยเทินเลยด้วยผมไม่ทราบมีั้าพเาคนเลียวครับสำหรับระเมินการทุจารี้